บทภาชณีติกาปาจิตตีหนึ่งพกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัตติปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัติปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตติปาจิตตีติกาทุกกท กรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกษตรีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ ท, ทําถูกต้องบวชให้ต้องอบัตทุกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต zijn, ้องพิกษตรีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องพิกษตรีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต wow ้องบวชให้ต <ter sensors> ้องอบัตทุกฎ